สามิบสานาเยกับวัตถุว่าด้วยลูกหนี้บรรพชาข้อ96าสมัยนั้นชายผู้เป็นลูกหนี้คนหนึ่งได้หนีไปบรรพชาในหมู่ภิกษุพวกเจ้าทรัพย์พบเข้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนี้คือลูกหนี้ของพวกเราคนนั้นเอาเถอะพวกเราจงจับภิกษุนั้นไว้มนุษย์บางพวกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้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 พระสมณะเชื่อสายพระสักกยบุตรเหล่านี้ปลอดภัยใครๆจะทำอะไรไม่ได้ฉะนัยพระสมณะเชื่อสายพระสักกยบุตรทั้งหลายจึงให้คนมีนี่บรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายคนมีนี่ไม่เพื่งให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอบัตทุกข์กด